ในเรื่องของการเดินสิกขาสามเนะในการเพียนเพียนในการที่จะลาบาปนี่แหละถ้ามองถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องมาการปรารบความเพียนเนี่ยในสมประทานเนี่ย ผู้ที่ปรารบค้นความเพียรโดยมากก็เป็นผู้ที่มักเป็นผู้ที่ได้ศึกษาปริยัติธรรมมาน้อยส่วนผู้ที่ได้ศึกษาปริธรรมมาแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองก็จะวุ่นวายในการทํางานแบบเหมือนพระบรรดานุทน์ทั่วๆไปถ้าอยู่วัดป่าก็จะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องกับเพ้าป่า เช่นต้องแสดงทำแก่ญาติโยมต้องอะไรทั้งหลายเะไนี้เป็นต้นอะไนี้หรือว่าทําหนังสือนังหาทําอะไรต่างต่างอนี้เขาบอกว่าหลักการตอนนี้เวลาทีนี้มันการทํางานมันไม่สามารถทําการปฏิบัติให้ดําเนินไปด้วยทํากิจแต่จิตมันไม่ได้ฝึกบางคนไปคิดว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะสามารถที่จะ พ้นทุกข์หรือหลุดพ้นได้จริงหรือไม่เรามาดูในกลุ่มสมรประทา น, นในกลุ่มสมรประทานมายคําว่าอุปปันนานังอกุสลานังธรรมานังปะหานายะวายาโมสัพนี้หมายความว่าความภาคเพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดแล้วที่กําลังเกิดอยู่ในขันธสันดานของตนคือเพียรเพื่อลัอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขันธสันดานของตน น่ประการหนึ่งประการต่อมาก็คือว่าอนุ ป, ปันนานังอกุศลานังธรรมานังปหานายาวายโม ο. ความภาคเพียรเพื่อไม่ให้อกุสะรธรรมที่จะเกิดขึ้นในขันสันดานจนไม่ให้เกิดขึ้นแม้เพียงครั้งเดียวในพบต่อๆไปอันนี้คือปิดบาปจะไม่ให้เกิดขึ้น ประการที่สมอนุปปนาณังกุตระนังธรรมานังอนุปาทายวายาโมหมายความว่าความภาคเพียรพยายังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นในขันธสันดานของตนให้เกิดขึ้นในขันธสันดานของตนอันนี้เคยเคยกล่าวนี่สรุปตรงนี้ฟังนิดนึงความประการที่สี่ก็อปปนาณังกุตระนังธรรมานังพินโยภาวายวายาโมภาคเพียรพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ของาน ไ, นไาด้ไหมครับก็คือทำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขันทสันดานของตนให้ถึงความเจริญอย่างยิ่งเพื่อเข้าถึงนินยานิกธรรมคือโรกุตระธรรม ทีนี้พอจําแนกอย่างนี้ก็เลยมาเจนได้ว่าในขันธสันดานของหมูสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอุปันณาอกุศลกับอนุปันณาอกุศนคําว่าอุปันณาอกุศนก็คืออดีตอกุศนและปัจจุบันอกุศนอดีตอกุสลกับปัจจุบันอกุศนอันนี้หมายถึงกลุ่มอกุศนเก่าทุจริตเก่า ที่ผิดพลาดมาจากพบก่อนๆจนถึงทุกวันนี้นั้นพกาญจุจริตวจีทุจริตมโนทุจริญทั้งหลายที่ผิดพลาดมาจากก่อนอักษรนกรรมเก่าๆถ้ามองถึงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ด้วยตั้งแต่อดีตแต่พบจนถึงปัจจุบันนะพบที่เคยผิดพลาดมาทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าบาปเก่าทุจริตเก่าอักษรนกรรมเก่ามีจริงๆใช่ไหมพวกนี้เหตุผลที่บาปเก่าที่เกิดขึ้นที่ผิดพลาดในอดีตเนี่ย ทุจริตทั้งหลายอันนี้มันก็มาจากกลุ่มอนุสัยที่มันยังละไม่ได้มันก็ออกมาเป็นปริยุธฐานะแล้วก็เป็นวิติกามออกมาก็กลายเป็นทุจริตและบาปเก่าทุจริตเก่าอากุศลเก่ากรรมเก่าที่เกิดในปัจจุบันในพบนี้นับตั้งแต่ปฏิสนธิมาจนถึงวันนี้จนถึงขนาดเนี้ยก็เคยผิดพลาดมาอันนี้จะเป็นอกุศลกรรมในข้อว่าให้ภาคเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ที่กาลังเกิดอยู่ในขันทสันดานหมายถึงชาตินี้ในชาตินี้ที่เคยเกิดนี่เขาเรียกว่าอุปนนะอากุศลอดีตอากุศลนั้นย่อมดับไปก็ต่อเมื่อได้โอกาสให้ผลในใบยภูมิถ้ายังไม่ให้ผลกําเนิดก็ฝังอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต บาปอกุศลกรรมทั้งหลายที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกเป็นอดีตอกศุศลเนี่ยเมื่อมันได้โอกาสนะกรรมที่มันขึ้นสู่ชาวนาะที่มันครอบกรรมมาบทเนะีมันเป็นทั้งปริยุทธานะและวีติกรมะปริยุทธานะที่เป็นครอบกรรมาบทก็กลุ่มพวกมโนทุจริตที่เป็นวิติกรมะก็คือมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาและพติกรรมอาชีพทั้งหลายโดยนี้เป็นต้นอนี้ ที่มันคบกรรมบททั้งหลายกรรมประเภทนั้นที่ยังไม่ได้ให้ผลยังอีกมากมายใช่ไหมที่เพราะมันมีอนุสัยเป็นตัวผักดันอยู่เนาะกรรมประเภทนี้เนี่อันนี้มันติดแน่นมาอยู่เนี่ยมันให้ถ้าให้ผลมันจะให้ผลในไบโยพูมิเท่านั้นเน่ยอบายทุกขติวินิบาตนรกที่มันจะผลิตวิบากทําให้เกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตและสุรกายเนี่ยถ้ายังไม่ให้ผลมันจะฝังอยู่ในจิตสันดานของบุคคลนั้นตลอดเวลา แม้เป็นมนุษย์แม้เป็นเทวดาแม้เป็นพรมในะตัวสักยทิฐิในสามระดับใช่ไหมระดับอนุสัยระดับปริยุทธานะครับระดับวิติกามะพรพวกนี้เริ่มมองเห็นแล้วนะเนี่ยมันฝังอยู่ที่มันเคยไปทําบาปทําอกุศลทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเลยไปฝังเชื่อโดยการเป็นอนุสัยอยู่เรียบร้อยแล้วรอจังหวะโอกาสเมื่อไรมันก็ ผลิตนะมันคล้ายๆพอมันฝังเป็นอนุสัยตรงนี้อยู่ที่เคยทํากายทุจริตวตีทุจริตเมโนทุจริตไว้นะที่ขอ้อกรรมบวชเบียดเสร็จปุ๊บมันดับไปแล้วแต่มันยังไม่ให้ผลแต่มันฝังแน่นเป็นอนุใสเป็นเป็นทิฏฐิเป็นสักยทิฏฐิรออยู่มันเป็นตัวเชื้อคอยรอรับว่าเอ่อมันยังอยู่นะคุณจะเป็นมนุษย์คุณจะเป็นเทวดาแม้คุณจะเป็นพรมะนะเนี่ยว่ากั้นเถอะ ฉันก็จะฝังอยู่ในขันทันดานไปนั่นแหละเขาก็เลยบอกมันเอ้าไม่รู้จะว่าไงก็บอกว่าฝังอยู่ในผวังกันแล้วกันแต่ยังไม่ได้ฝังจริงๆนะเพราะมันถ้าอัตวละไม่ได้มันอยู่ทุกทุกทุกขนาดจิตก็ได้แต่มันอยู่โดยฐานะที่มันยังไม่ได้ละไม่ได้ชําระทีนี้ทํามันได้โอกาสเช่นว่าพอใกล้ตายนะพอใกล้ตายเนี่ย ชาตินี้เลยเราไม่ได้ทําบาปที่มันครบกรรมาบทสมมุติเลยเนียแต่พอใกล้ไปตายเนี่ยไปได้ยินเสียงไก่เป็นอารมณ์ไอแค่ได้ยินแค่นี้มันนําส่งเป็นเกิดเป็นอบายภูมิในไก่ไม่ได้ เ, เกิดเป็นอบายศาสตร์ไม่ได้แต่ไอ้จังหวะที่เคยฆ่าไก่นในสัง ส, สารวัตรมันได้โอกาสมันก็ได้ทิฏฐิตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมโยงสักยทิฏฐิตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงอนุสัยตัวนี้เป็นตัวเชื่อมโยงมันก็ ให้ผลทันทีเลยแต่มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เห็นไก่ตอนนี้เป็นตัวให้ผลแต่กรรมที่เคยประทุษลายไก่ทั้งหลายเลยเนียเนี่ยอดีตกรรมนี่เป็นจำนวนมากที่จะนำไปสู่อบายและสู่เอเวจีก็ได้กรรมที่ทำลงเอเวจีก็หนานแน่นเหลือเกินเหมือนกลุ่มเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เล่นกันเพลิน ตายด้วยอำ น, นาจของโทสะเพหิวเนะพราะโทสะเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยเผาตัวเองตายกรรมที่ทำกรรมหนั ก, กเลยให้ผลลงเอเวจีกันหมดเลยเนี่ยนะนี่เนี่ยกรรมประเภทนี้มันฝังอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าอากุศลกรรมเก่าทุกทีที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลก็ฝังแล้วก็เฝ้ารอเราอยู่นี่เป็นเป็นอุ ป, ปันนะอกุศลอันนี้คือไฟที่วิ่งตามมาข้างหลัง นี่เราเห็นนะทีนี้อุ ป, ปนณนะอกุศลทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อยู่ในสักยะทิฐิตราบใดที่ยังมีสักยะทิถีอยู่อุปณันนะกุศลทุจริตกรรมเก่าที่ยังไม่ให้ผลไม่มีวันเสื่อมไปเลยนะวัดกันตรงนี้มันจะเสื่อมก็ต่อเมื่อละสักยะทิถีละวิจิกิจฉาได้ด้วยอริยมรรคเมื่อไหร่กรรมเก่าทุจริตเก่าที่จะนําส่วนใบพูนมันจะเสื่อมสลายไปเลย หมดอนุภาพทันทีอันนี้พูดให้เห็นความจริงของชีวิตนีน่ีพูดพูดระดับพวกเราที่ตอนนี้เรามาชาตินี้เราก็ไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรที่จะลงใบพุมเนะอกินคนที่ทำแล้วนี่เป็นทุจริตเก่าสิลปกรรมเก่าเนี่ยบาปเก่าที่ทำในอัตภาพนี้ การปฏิบตัตอธินาทานการมีมุสาวาทว่าไปเนี่ยในชาตินี้นี่ก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าแต่ไม่ใช่พบที่แล้วจะพบนี้ไอ้นี้ก็มันจะเสื่อมสลายไปตรงที่เราถอดสักยะทิฐิได้ถ้าถอดสักยะทิฐิไม่ได้ไอตัวทิฐิที่เป็นอนุสัยที่มันฝังแน่นตรงเนี้ยมันเป็นเชือ้อเป็นระเบิดเวลามันเป็นตัวเชือ้อเป็นตัวดูดเลยเนาะที่ เรียกร้องให้กรรมเก่าทุจริตเก่าสุศลและกรรมเก่าเนี่ยมาให้ผลได้ตลอดเวลาตัวนี้นั่นมันฝังอยู่ตรงนี้แหละถ้าฝังฝังอยู่ตรงเนี้ยเป็นธรรมถ้าจะเรียกฝังมันจะไม่ใช่เป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักยทิฐิต้องใช้คําอย่างนี้มันเนื่องอยู่ถ้าเอาสักยะทิฏฐิออกมันมันหายเลยแต่ถ้าทิฐิสักยะทิฐิยังมีอยู่ตราบใดยังมีสักยะทิฏฐิอยู่อุปนิสกุศลทุริยกรรมเก่าที่ยังไม่ให้ผล ไม่มีวันเสื่อมไปเลยเมื่อสักยะทิฏฐิดับลงไปด้วยการเห็นอนัตตลักษณะเข้าถึงพนานิพานอุปปันนอกุศลกรรมเก่าทุติยเลตเก่าทั้งหลายก็พลอยดับลงอย่างไม่มีเหลือเลยนะนี่คือความมหัศจรรย์มากเลยนยดับลงโดยไม่มีเหลือแม้เพียงอนูเดียวก็ไม่มีหลงเหลือเลยนิดเดียวก็มีมีหลงเหลือเลย บุคคลที่ดับสักยะทิฏฐิได้แล้วนะย่อมเป็นผู้ไม่มีโอกาสได้เจอกับอบายภูมิอีกเลยไม่เจอเลยเนะี้ยหมดสิทธิ์ฝันก็ไม่เจอเยาว่าแต่น่เลยไม่ฝันก็มันดีตรงนี้แหละยังฝันสะดุ้งอยู่ไหม <c oughs> พอฟังนี้แล้วเชื่นใจไหมว่าเราจะต้องพ้นมันให้ได้เหตุผล <c oughs> ที่บอกความจริงตรงนี้เพราะว่าพอรู้อย่างนี้เราจะได้กาลังใจ จะได้รีบขวนขวายจะได้ไม่ทอ้อถ้าไม่รู้ความจริงมันเฉยมนุษย์เรามันจะเฉยมันนึกว่าเราสบายเราพ้นเราไม่ต้องขวนขวายเลยมาแต่ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันติดเลยเดี๋ยวนี้แล้ก็มันแค่วิ่ง อ, อ่ อ, อยอ่ อ, อยอ้ อ, อยปื๊ดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันไม่อยู่แล้วอะไรก็อะไรก็รกัด ล, ลึงเราไม่ได้อะไรก็ดึงดูดไม่ได้คือในโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่าประทับใจเลย มันเพียงว่าเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเจริญสติจเจริญปรรัญญาเจริญความเพียรยังไงเท่านั้นเองเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ในการฝึกตัวเองเดินดีเพราะว่ามันมันร้อนมากไฟข้างหลังร้อนมากเผามาติดติ ด, ต, ดติดข้างหลังเลยเลยเผาวูบวูบตลอดเวลาเพิ่มอะไรมันวูบออกมาเลยสังเกตได้ตอนไหนวูบตอนไหนพอมันเป็นปริยัิฐานนะปุ๊บวูบมาแล้วไม่ว่าความกำหนัดไม่ว่าความขัดเคืองไม่ว่าความรุ่มหลงที่มันมันมันมัน มันได้แผ่นกระทบกับแผ่นขีดนะกระทบกับแผ่นพอไฟมันวุบขึ้นมาตูเฉาแล้วเ น, นะนี่ยไฟมาแล้วเราจะรู้นินเชื้อนี่วะนี่เชื้อทวิจริตกรรมเก่ามันมามาข้างหลังตลอดเวลาเฮ้ยเยตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเลยนะเป็นตัวเชื่อมบาปเก่าทวิจริตเก่ากุศลกรรมเก่าลักษณะอย่างเงี้ยส่วนอนุ ป, ปั น, น า, ากุศณเนี่ยคืออกุศลในอนาคตหมายว่าอากุศลใหม่อกุศลใหม่ เป็นอกุศลในอ น, นาคตทุจริตในอนาคตบาปในอนาคตอกุศลใหม่ทุจริตใหม่ที่จักผิดพลาดต่อไปตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปที่จักผิดพลาดเนะยเป็นอกุศลใหม่ทุจริตใหม่ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้เป็นอนันต์คาว่าอนันต์นี่ก็คือหาประมาณไม่ได้แก่บุคคลหนึ่งหนึ่งในพบหนึ่งหนึ่งมากมายนะักเยอะไหมที่มันจะเกิดใหม่ เอคนที่ชำระวิธีคิดเดินจิตไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันจะผิดพลาดตลอดใช่ไหมที่บอกว่าที่ไปฟังเอาแล้วกันเรื่องพักเรื่องเพียนไม่พักไม่เพียนเนี่ยจะเห็นชัดมันจะจมอยู่จมอยู่กับสักยะทิฏฐิจมอยู่กับตัณหาใช่ไหมจมอยู่กับตัณหาเลยไปเพราะทิฏฐิจมอยู่กับตัณหาจมอยู่กั บ, า ก, บการมาสุขาริการนุโยกเลยไปก็อัตตกิรมาถ่ายนุโยก จมอยู่กับสัตว์าทิตถีเลยไปก็อุเฉตอาทิตถีจมอยู่กับโลภะเลยไปก็โทสะจมอยู่กับโลภะกับอาทิธีเลยไปก็อกุศลสังขารที่เหลือกิเลสที่เหลืออะไรเงี้ยนะก็ไล่ไปเถอะจมอยู่กับอกุศลกรรมบวชสิบเลยไปก็อกุศลกรรมบวสิบไม่สามารถเข้ามัชฌิมาปฏิปทาได้สักทีเลยผิดพลาดตลอด จะทำดีทั้งทีก็เลยไปอยู่เลยเลยไม่สามารถเดินสู่มัชฌิมาได้เลยนี่คือความผิดพลาดความไม่รู้อ่านธรรมะกันมาแทบตายนี่แหละสัมมาทิฏฐิว่า ง, งั้นความเห็นที่ถูกต้องเวลามาดำเนินความคิดทีไรเอา้าเป็นกุศลก็เลยเลยไปเลยแล้วก็ง่ายๆก็จมอยู่กับอกุศลกรรมบ่ยุ่อย่างเงี้ยเห็นแต่ละครั้งหามัชฌิมาไม่เจอได้ยินแต่ละครั้งก็หามัชฌิมาไม่เจอมันเดินไม่ถูกมัชฌิมาปฏิปทานะไอ้ทางสายกลางนี่มันเดินยากนี้ ใช่มมันจะได้สติกำกับใช่ไหสติรละลึกกำกับอยู่ในกุศลมีปัญไอ้มีความเพียรที่สร้างสรรค์มีปัญญาที่คิดอ่านดำเดนินพากระแสความคิดกระแสชีวิตในการดำเดนินไปตามมัชฌิมาปิุทาจุดหมายที่อนุ ป, ปาทาจริงๆไนไหม่ไม่เข้าใจใช่ไต้องรู้และเข้าใจจริงๆมันถึงจะเดินได้เ่ยอันนี้อันนี้ก็ว่าไปฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ก็คือว่า อนุปนันณาอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเวลามันจะเกิดขึ้นไหมก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสักยทิฏฐิใช่ไหมบ้าง <f air> เพราะมีสักยทิฏฐิอยู่อกุศลใหม่ทุจริตใหม่ที่จะเกิดอกุศลในนาคตทุจริตในนาคตเนี่ยมันก็นับเนื่องในสักยทิฏฐิเมื่อมีสักยะทิฏฐิเนี่ยได้ในเมื่อไหร่อนุปันณาอกุศลเนี่ยนะมันก็จะเกิดทั้นตัวจริงต้องดับ ถ้าดับสักยะทิฏฐิได้เนี่ยอกุศลใหม่ทุจริตใหม่ก็จะดับไปเหมือนกันเพราะมันเนื่องเลยที่สักยตทิฏฐิเห็นหมมันเนื่องกันอยู่ไอ้ตัวเนี้ยนะไม่เหลือเลยไม่เหลือแมอ้แต่อนูก็ไม่เหลือวหางอนกันเถอะถ้าหากว่าดับได้ปุ๊บเนี่ยทุจริตไม่จะไม่ไปผิดพลาดอีกเลยเออประหลาดมากเห็นไหมคนเวลา เวลาดับสักกายที่ถีได้อย่างเย่นยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีผิดพลาดเป็นกรรมบวอีกเลยอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ที่บอกว่าเป็นไปได้บุคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุถุชนเป็นมนุษย์ปุถุชนเป็นเทวดาหรือปุถุชนเป็นพรหมนี่ยที่จะทํามาตุาาราราคาตปิตุฆาตอรหันตฆาตโลหิตุบาสังฆพีเป็นไปได้ แต่เป็นไปไม่ได้พระโสดาบันจะทําทมาดุฆาตปิดดุฆาตอาหารฆาตโลหิตุบาสังเกตเห็นไหมนี่เป็นข้อวัดเลยนะเสียว <c oughs> เราเนี่ยมันบาดเสียวตรงเนี้ยเราทํากำหนักได้ไดนะเพราะมันเลี่องโดยสกิยะความบุนบู้ดุนดชนเนี่ยมันเลี่องโดยสกิยะที่ติตัวเนี้ยเรามีโอกาสจะผิดพลาดได้ตลอดเวลาเลยมีไอ้โกรธแม่ยังโกรธมาแล้วไม่ต้องพูดถึงข้า คิดเบียดเบียนก็คิดมาแล้วใช่ไหแล่ะนี่ผู้มีอุปการะคุณขนาดพระสงฆ์เรายังโกรธบหไม่เหลือไม่เหลือหรอมั น, ม, นมันขนาดนั้นเลยนะันนี่คับว่าเป็นไปได้เนี่ยงั้นถ้าหากว่าดับสักยะทิฏฐิได้เมื่อไหร่ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยสิเนีไอตัวอกุศนทั้งหลายเนี่ยไม่ครั้งเดียวในชาติต่อัวบุคคลที่ละสักยะทิฏฐิแล้วย่อมเป็นผู้ไม่ได้พบเจอกับอกักขศนไปนับติ่น คนที่ละสกฤติทิฏฐิแล้วเนี่ยจะไม่พบกับอกุศลที่เป็นปานาติบาเข้าใจคํานี้ไหมหมายความว่าจะมีเจตนาชั่วร้ายที่เกิดร่วมกับอกุศลที่ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไม่มีเลยจะไม่พบกับปานาติบาจะไม่พบกับทินาทานจะไม่พบกับการเมียสมีฉาจารจะไม่พบกับมุสาวาตปิสณาวาจาพุทสวจาสมปะปลาปะจะไม่พบกับการมีเจตนาใช้ของมึนเมาล่วงลำคอลงไปเลยนั่นถ้าคนดับสกฤติทิฏฐิได้นี่เป็นความมหัศจรรย์มาก ไปเหยียบมดตายเนี่ยจะไม่เป็นบรรดิบาติเพราะไม่มีเจตนาเหยียบขนาดนั้นเลยนะนี่นี่คือความมหาศารย์ว่านี่ไม่ไม่พบเจอเลยจะไม่พบเจอเลยเนี่ยแล้วก็จะไม่ไม่ฝันว่าเราฆ่าสัตว์จะไม่ฝันว่าเรารักทรัพย์จะไม่ฝันว่าเราไปพูดผิดในกลามจะไม่ฝันว่าเราไปพูดเท็จแม้ความฝันยังไม่ผุดขึ้นมาเลยแปลว่าอะไรไอ้สักยะทิถีไอ้ตัวทิถีมันถูกถอน วิกฤติฉามันถูกถอนมืพอมนถูกถอนไปเสร็จภบเนี่ยความวิผลิตผิดเพี้ยนที่จะทําให้ฝันด้วยความผิดพลาดตัวนี้เรื่องละเมิดมันหายเกลี้ยงเลยมาสจันทร์ไหมพิโสดาบันมาศจันทร์แบบเนี้ยอยากเป็นไปแล้วมาศจันทร์อย่างนี้แหละโอ้โหนี่นี่นี่คือคือสภาพของคนดีคนดีจริงๆมันจะมีสภาพแบบนี้นี่คือความมาสจรนท์ของการที่ว่าเห็นไหมว่า เราจะเห็นความต่างการดับสกฤติที่ตีได้ก็ดับสกฤติทิ่ตีไม่ได้บุคคลที่เป็นมียังมีสกฤติที่ตีอย่างเราเราที่บอกว่าแม้จะเป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิคลองชมพูทวีปปุกพระวิเทียระทวีปอัปรลโคยานะทวีปปุกพระวิเทียจนจนชมพูทวีปเป็นต้นเหล่านี้แม้ทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารเนี่ย ก็ยังเป็นผู้ถูกเผาล้นด้วยอุปนนะอากุศลและอนุปนนะอากุศลจะต้องยังยังถูกเผาแม้เป็นจกักรพรรดินะแต่ก็ยังมีบาปเก่าทุจริตเก่าอากักษรลกรรมเก่าเป็นไฟล้อมมาั้างหน้าและบาปใหม่ทุจริตใหม่อกักษรลกรรมใหม่เนี่ยมันล้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนอะไรเหมือนกําลังถูกไฟในรกครอบหน้าครอบหลังอยู่นี่ขนาดเป็นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะ ในบรรดาเทวมนุษย์ก็ดีเทวภูมิทั้งหกชั้นก็ดีรูปพภูมก็ดีทั้งหลายเลยนี่เป็นตัว น, นึ่งแม้อรูปพภูมก็ได้ก็ยังถูกเผาอยู่เช่นเดียวกันเป็นผู้คับแคบด้วยเชือกคือนรกเป็นผู้ถูกให้จมลงและดำดิ่งลงอยู่ในโอคาใหญ่คือสังสารวัฏฉะนั้นตัวสักระทิฐิเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาเลยเนี่ยเอาละทีนี้ ประโยชน์ที่แท้จริงที่พวกเราปรารถนามาในอดีต ท, ที่ได้มาพบเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาพบเจอพระศาสนาเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังสารวัตในสังสารวัตเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดหาได้ยากที่สุดชีวิตที่มันหลุดมาปุ๊บแล้วมาเจอเงี้ยเนี่ยหาได้ยากที่สุดแต่ถามว่าที่เราได้มาพบเจอมันมาจากอะไร เราลืมไงอัธยาศัยความจําเก่าๆที่เราตั้งไว้เพื่อจะมาดับอุปนิอกุศลและอะนุปนิอกุศลเราต้องการดับไฟนี้บาปเก่าทศจริญเก่าอากุศลกรรมเก่าบาปใหม่ทศเจริญใหม่อกุศลกรรมใหม่ต้องการดับไฟที่มันล้อมหน้าล้อมหลพราะตอนนี้ท่านทั้งหลายมาเจอแล้วที่จะบอกมาเจอแล้วมาเจอพระศาสนาแล้วเจตนาที่เราตั้งใจไว้อ่ะฉะนั้นก็ ต้นเตือนกลับขึ้นมาจะมาปลุกตัวเองกลับขึ้นมาแล้วก็ว่าที่เราปรารถนามาในสังสารวัฏอันยาวนานอย่างแสนยากที่เราต้องการเจอศาสนาของพระชินชเจ้าบัดนี้เจ้าเจอแล้วต้องเตือนตัวเองนี้นะแล้วเจ้าจะโมะประมาทอยู่ยัยทาไมมาทํากิจอะไรอยู่เนี่ยวิธีเตือนตัวเองเตืเอนอย่างนี้ตลอดเพราะ ง, งั้นเราต้องการจะดับไฟคือสกย ท, ทิ่ติ ไอ้บาปเก่าทุจเจดิตเก่ากุลกรรมเก่าบาปใหม่ทุจดิตกุลกรรมใหม่ใช่ไหมวาระนี้วันนี้ขนาดนี้เท่านั้นเนี่ยพอคิดอย่างนี้พวบเนี่ยมันมันจะมันจะมันจะเริ่มวางอะไรได้นะมันจะเริ่มวางอะไรได้ฉะนั้นเมื่อมาเจอศาสนาของพระชุทเจ้าแล้วเนี่ยจึงต้องมุ่งทำสิ่งเดียวคือดับไฟ คืออุปปณะอกุศลและอนุปปณะอกุศลในชาตินี้ให้จงได้เนี่ยวิธีการนี้ต้องใช้คาว่าในชาตินี้ให้จงได้คิดอย่างนี้นะแต่ก่อนเราคิดแบบนี้มาในสังสารวัสเนี่ยฉันตรวจสอบมาหมดแล้วในพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาเนี่ยพระเทลระเก่าๆเนี่ยท่านคิดอย่างนี้หมดเลยอ่ะอุบาสกบาสิกาทั้งหลายที่ปราถนาจะท่านคิดอย่างนี้ นั่นก็ลยมามาม า, ม า, มาร้อยเลียงบอกว่าเออท่านคิดอย่างนี้นะเขาไม่ได้คิดว่าจะบรรลุชาติหน้าเขามบรู้ว่าเราจะถึงบรรลุชาติเ <c oughs> นี่ยเขาคิดกันอย่างเงี้ยกลุ่มแสนกับเขาก็คิดอย่างนี้แหละกลุ่มสย่สงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนหมากับก็คิดอย่างเงี้ยประดุดดังว่าอสภัญยุตยานเหมือนเนี่ยว่าจะบรรลุในวันพรุ่งนี้เลยอ่ะเขาคิดอย่างนี้ <c oughs> นั่นก็คิดอย่างนี้มันปลอดภัยในระดับของด้านเจตจำนงด้านความคิด ตั้งหลักนี่ไงตั้งหลักใหก้มันถูกเขาคิดอย่างนี้พ่อไม่คิดอย่างนี้นี่ไงมันจึงมาแบบเนี้ยแล้วก็เลื่อยเปื่อ ย, ยมานี่แหละวังกันเอถอะนั่ไม่ตรวจสอบไปทําไมกขคิดอย่างนี้งั้นนี่เขาแปลผิดหรือเขาคิดอย่างนี้เออไปอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านดูแล้วว้ามันคิดกันอย่างนี้ดีก ว, ว่าเฮ้แต่ก่อนฉันไม่แต่ก่อนฉันอ่านไปกไม่กล้าคิดกลัวมันรู้จริง คือเราอยากอยู่ก็อยากทํารืนานหน่อยว่างั้นตอนนั้นไม่รู้ไงใครคิดไหมล่ะใครคิดไหมว่ายังไม่อยากบรรลุในอัตภาพเนี้เคยไหมกลัวเว้ยไ ม, ไม่ไม่กล้าคิดต่อคิดต่อมันรูุจริงนันี่เลยเคยไหมโอ้โหปริมาณมันมันมันมั น, ม, นมันประมาทไงตรงไอความคิดตรงนั้นนะตอนนี้โอ้ทำไมประมาทมาตั้งนานกับรื่ชีวิตอ๋อไม่เคยคิดอย่างนี้เลยคิดยังไง เรไม่ใช่ไม่ใช่ถามประเด็นนั้นใช่ครับนั่คือม้ว่าาดีะเนดนะนยมีการกามาสุกในอารมณ์ัเรือยคือเขาเขามองลักษณะนี้เว่าการที่จะทำลายอุปนอกุศธิอนุปนอกุทธให้ได้ก็ต้องทำลายตัวรากคือสักยทิฏฐิตัวทิฏฐิต้องทำลายต้นให้ได้ ถ้ายังมีสักะยะทิฐิอยู่ตราบใดอุปปันอกุศลและอนุปปันอกุศลไม่มีวันเสื่อมหรือจางคลายหายไปเลยมันไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแต่ไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปไล่ตัวเชื้อมาไอตัวรากมันได้ได้คือสักยะทิฐิเด็ด <c oughs> <c oughs> ตรง น, นี้เป็นอย่างนี้นะ อในสมัยครั้งพุทธกาลก็วิสาขามหมาบสิกาอนาถาปินิกาเศรษฐีเนี่ยบุคคลเหล่านี้ยสวยความสุขตามลำดับเห็นพบนับไม่ได้บุคคลเหล่านี้เขาเขาเขาทำลายศักดิที่ตได้แล้วนางวิสาขาหาบสิกาอนาถาปินิกาเศรษฐีชีว ก, วกปีกุมารภัตเป็นตนั้นเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการจมอยู่ในโอคาสงสาม เขาจะบรรลุอนุปาทานิยนิพพานในอนาคตชัดเจนและแน่นอนนะบุคคลเหล่านี้เนะี่ยแม้ยังต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฏก็ไม่มีทางกลับมาเป็นโลยิยชนไม่กลับมาเป็นปุถุชนอีกเขาเขาเสวยความสุขตามลำดับหึงพบงั้นนี้เป็นการแสดงอุ ป, ปนิสวรณ์อนุปนิสวรณ์ที่พระโสดาบันที่หลุดพ้นแล้วทีนี้หลักการเจริญเนี่ยก็คือ การเจริญก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าโพธิปักขียะเนี่ยทาที่เป็นฝักฝ่ายการตัสรู่ก็คือสิกขาสามเนี่ยย่อออกมาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าขยายออกอีกก็คือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกลาิฐารณวิสุทธินัทสุทธิปฏิปทฏยานทัทสุทวิสุทธิก็าาาากโลกุตระยา น, นาวิสุทธิเนี่ยก็คือเนี่ย สิ่งที่น่าตื่นกลัวอย่างยิ่งในสังสารวัตรนี้ก็คือว่าล้วนเกิดขึ้นมาจากอุปนาอาิอักขุชนนุปนาอาิอกขุชนเหน่านี้เองฉะนั้นมันน่าตื่นกลัวคือว่าอุปนิอากุศลนะอกุศลที่ทํามาแล้วเนี่ยทศจริตเก่าบาปเก่ า, ากศุลกรรมเก่าที่เกิดขึ้นในอดีตแพบจนถึงปัจจุบันนพบมาจนถึงขนาดนี้ แล้วก็บาปใหม่ทุจริตใหม่กุศลกรรมใหม่ที่จะทำต่อไปจะผิดพลาดต่อไปเนี่ยเราจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีที่หลบเลยในสังสารวัตรในพบไหนไม่มีที่หลบในที่มุมไหนไม่มีที่หลบจะไปสร้างที่อยู่หลบซ่อนมันตรงไหนนะหลบไม่ได้เออแปลกมากไปหลบอยู่ในลูไปหลบอยู่ในที่ไหนมันตามให้ผลได้หมดเพราะไอ้สัจยะที่ถีมันฝังแน่นในขันตสสันดานมันเป็นตัว มันเป็นตัวบอกที่ซ่อนมันเหมือนถูกฝังชิปนะฝังไว้เรียบร้อยแล้วไอ้ตัวเนี้ถอดตัวนี้ออกได้เมื่อไหร่ปลอดภัยเนี่ยมันน่าตื่นกลัวมากมันน่าตกใจที่สุดคือตรงนี้เราพยายามจะไปป้องกันกันข้างนอกหมดเลยนะไปอธิษฐานไปอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ไหนได้มันฝังอยู่ในขันทศสันดาลเนี่ย มันต้องถอดแตนี้ออกถอดได้โยนทิ้งได้ยีปลอดไปแล้วแเนี้ยมันหาไม่เจอตาบอดนี่ไหมอภิสังขารละมานตาบอดกรรมอ่ะเจตนากรรมตาบอดเลยผมส่งหาไม่เจอเลยถ้าถอดถ้าถอดได้ทั้งหมดถอดกิเลสได้ทั้งหมดเนี่ยแม้กุศลเนี่ยสังขารเนี่ยก็เป็นอภิสังขารละมาเหมือนกันก็ตาบอดเหมือนกันกิเลสสมานไม่ต้องพูดถึงมันถูกดับก่อนใช่ไหมขันธ์ะมานก็ตาบอด ไม่รู้จะผลิตขันให้เราได้ยังไงไม่ได้แล้วมัจจุมานบอดหมดกุศลไอสังขารเนี่ยนะอภิสังขารเนี่ยสังขารละมานเนี่ยมัจจุมานก็หาไม่เจอเ<อ>ทวปุตตมานก็หาหากระแสขันของพระหลักาที่นิพพานแล้วไม่เจอนั้นมันน่าตื่นกลัวตรงนี้ตอนนี้เราเร า, เรามีตัวเชื่อมโยงกับมานก็คือสักยะทิฏฐิ ถ้าตราบใดยังมันจะนอนหลับสบายใจได้ยังไงถ้ายังมีสักยะทิฏฐิฝังแน่นในขันธสัณฐานอยู่อย่างนี้เดินยืนนั่งนอนมันก็ฝังแน่นอยู่ในขันธสัณฐานกรรมเก่าทุจริตเก่าอุปโภคกรรมเก่าทั้งหลายพร้อมที่สแกนมาให้ผลแล้วมีโอกาสจะผิดพลาดกรรมใหม่ทุจริตใหม่อีกตลอดเวลาเพราะมันมาจากสักยะทิฏฐิตัวนี้สรุปแล้วเนี่ยโอ้โหน่าตื่นกลัวมาก น่ากลัวมากจริงหัหยถ้าคิดอย่างนี้เราจะเห็นความจริงของชีวิตนะ น, น, น่าสะพึงกลัวมากนี่คือปัญหาของสัตว์โลกไม่ใช่เฉพาะเราทุกหมดถ้าคิดอย่างนี้เรามันโล่งๆหน่อยแต่คิดเฉพาะเราอย่างเดียวนี่อึดอัดคับข้องกันมาเลยนะบางคนเออแย่แล้วแต่มันจะมีคนรู้กับไม่รู้ใช่ไหมปัญหาอยู่ตรงนี้รู้หรือไม่รู้เอาอะไรอย่างไหนดีรู้มันได้เปรียบรู้ได้เปรียบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดับสักเปยทิฏฐิได้เท่านั้นจึงจะสามารถหลุดพ้นไปจากอบายสังสาระอันใหญ่โตนี้ได้เหลือแต่พบของมนุษย์เทวดาและพรมันประเสริฐเพราะฉะนั้นหมู่ทุจริตเก่าและกรรมเกรรม่ากรรมใหม่ที่เป็นอุปน้อนุปน้าเนี่ยเป็นอกุศลและอบายภูมิย่อมมีมูลอันเดียวกันก็คือสักยทิฏฐิ เมื่อมีบุญได้เกิดมาพบในศาสนาในปัจจุบันชาตินี้แล้วจึงควรเพียรพยายามอย่างยิ่งในการที่ทําลายสักยะทิฏฐิทีนี้สักยะทิฏฐิก็แยกมาเป็นเป็นวีติกมะสักยะทิฏฐิปริยุทธานะสักยะทิฏฐิอนุสัยสักยะทิฏฐิเห็นแล้วนะทีนี้นะเอาเอาทิฏฐิตัวเดียวแล้วเข้าใจทกิเลสทั้งหมดแล้วอธิบายไปแล้วในภาคที่ผ่าน เราก็จะเห็นว่าอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยากเรายังละไม่ได้ทุกระดับใช่ไหมที่จริงนี่ยเรามีศีลเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวจัดการเขาอยู่อย่างหยากถ้ามีสมาธิบางครัง้งบางคราวจัดการอย่างบริยุทธานนะแต่ยังว่าเมื่ออนุสัยยังไม่ถูกถอนมันโผล่ขึ้นมาตลอด ป็นแปลงสภาพมาเป็นปริยุทธานะจากปริยุทธานะเป็นวิติกรมะตลอดเวลาเลยนี่นี่คือประเด็นดันั้นก็คือผู้ที่สามารถรักษาที่เราจะต้องมาเจริญก็คือว่าเจริญกุศลเนี่ยถ้าสามารถรักษาวิติกรมะภูมิและปริยุทธานภูมิได้อย่างหมดจดกายกรรมวจกรรมอนกรรมก็จะหมดจดเรียกว่าเป็นคนดีและเป็นคนดี ถ้ามันยังไม่รู้จักอนุสัยก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายอนุสั ย, ย่อบพมได้ก็จะแม้จะรักษาปริยัติฐานะและก็วิติกรามะนี่ยเท่าไหร่ก็ยังชื่อว่ารักษาปุริสธรรมได้เขาเรียกว่าอย่างเราก็คือเป็นคนดีได้พบเดียวแล้วก็จะท่านยังสามารถได้เคียงแค่วิติกรมะกับปริยัติฐานะที่เราสามารถที่จะมันดีได้พบปลอดภัยพบเดียวเนาะไปพบต่อไปยุ่ง ยุ่งเลยยื่นหาเบื้องต้นไล้ที่สุดไม่เจอเจอแล้ไปใหญ่เลยตรงนี้มันมันถึงแม้เราเรียนมาเราศึกษามาอย่างดีก็แล้วแต่เมื่อไปได้เหตุใหม่ปัจจัยใหม่ขึ้นมากรบมันมันยุ่งตรงนี้มันได้แต่มนโนธทรรมสัญชาตญาณว่าไม่ทําบาปไม่ทําบาปนะเข้านะเข้ า, าถูกล่อหลอมมากขึ้นมากขึ้นถูกสังคมบีบมากขึ้นก็กลับกลายเป็นหลงผิดไปอีกโมหะเข้าครอบต่อไปสังสารวัตก็เป็นแบบนี้ฉะนั้น นกที่ร้องในอดีตจบพระไตวิดกมาบ้าเออนกนกน่ะที่ร้องในอดีตจบพระเตวีดกก็ตัวไม่รอดก็มาร้องเตือนแงะแงะแ ง, ะ, ง, ะ, ง, ะ, ง, ะ, งะบอกว่าแต่ก่อนขนาดผมจบพระไตวิดกมาผมยังมาเจ็บปวดในสังสารวัตนี่ท่านเนี่ยงูงปลาปาในในพระไตวิดกไม่รู้เล่มไหนตัวเล่มไหนคำสอนยังไม่รู้เลย ขนาดผมยังขนาดนี้แล้วยังท่านยังประมาทแต่ก่อนผมยังไม่ประมาทขนาดนี้มันร้องบอกเร า, างเงี้นี่ขนาดเขาไอ้าคิดขนาดนั้นเลยคิดขนาดนึงเห็นผมเนี่ยโว้ยเตือนเรากันนะอันเอาใครคิดแบบนี้ดงั้นบุคคลที่จะทําลายสกยะทิฏฐิสามระดับเนี่ยให้สิ้นซากก็ต้องเจริญสิกขาสามเลยตรงนี้คือสิ้นสมาธิปัญญาใช่ไหม หรือวิสุทธิเจตเศรษวิสุทธินะตัวเศรษฐวิสุทธิโอ้โหนี้ต้องขยายจิตตวิสุทธิอันนี้อันนี้ทําลายกลุ่มโทสะทั้งหลายเหล่านี้เปด้วทิฏฐิวิสุทธินี่ทำลายอนุใสนี่เศรษฐวิสุทธิเนี่ยทํลายลุยบลุยยธานนะจิตตวิสุทธิเนี่ยทาลา ย, อ ย, านะลายเอ่อเศรษวิสุทธิทําลายวิติกรมากิเลสกิเลสยังยา ส่วนจิตวิสุทธิ์ทำลายปริยุทธานักเลเลสกิเล ส, เลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในโฉนดส่วน <Okay. S 1> ทิฏฐิวิสุทธิก็เริ่มทำลายอนุสัยเป็นแต่ทางข้าปรหารเป็นต้นไปตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิสุทธนวิสุทธิมคามขายานะทัศนะวิสุทธิปฏิปทายานะทัศนะวิสุทธิแล้วก็โลกุตระยาณนะทัศนะวิสุทธิอันนั้นคือการประชุมในอริยามรรคนั่นถอนได้ตรงนู้นแหละโลกุตระยานะทัศนะวิสุทธิความเห็นอัน บริสุทธิ์หมดจดจนสามารถถ่ายถอนอนุสัยกิเลสออกจากขันธสันดานไดน้ตรงนั้นเนี่ยเป็นถอดถุงนั่นแหละอนุใสเอาละแตวนี้พูดถึงศีลเนาะพูดถึงศีลก่อนศีลเอาศีลห้าเนียอันนี้พูดถึงตัวสภาวธรรมตก่อนเลยเนี่ศีลห้าจะเป็นอาชีวธรรมกศีลก็ได้ศีลแปดศีลแปดศีลสิบ แต่ถ้าสามารถรักษาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็คือรักษาอุบอสถศีลศีลสิอะไรก็ว่าไปบุคคลผู้ถือเพศบริสุทธิ์ถ้านุ่งผ่ผ้าย้อมฝ่าทั้งหลายก็จะถือศีลศีลสิบกันจำมณเณรศีลสิบผ้ากศีลส0งร้อยยี่สิบหรือไอตัวนี้แหละจาตัวบริสุทธิศีลก็คือปาฏิโมกขังวรศีลอินทรียสังวรศีลอาชีวะบริสุทธิศีลปัจจะญานิสุทิศีล กมพวกนี้ต้องทำลายอย่างนี้เขาเรียกเสีลวิสุทธิเนาะมันก็จะสามารถทําลายทําลายวิติกามะกิเลเพราะว่าถ้าไม่ปิดถ้าไม่มถีถ้ามีเฉพาะศีลหลักอย่างเดียวนะที่เป็นปาฏิโมกขังวรศีนนะถ้าไม่ปิดบาปทางทวารตาหูจมูจกลิ้นไม่ใช้สติเนี่ตัวปาฏิโมกขังวรศีนก็มีศรัทธาเป็นประธานในตัวขับเคลื่อนจะมีศรทัทธา แล้วก็มีความเพียรด้วยจริงๆแล้วแต่จริงๆศรัทธาเป็นหลักที่จริงก็ถ้กุมกุศลทั้งหมดน่ยจะมีศรัทธาเป็นประธานถ้าอินเรียสังวรศีลก็มีสติใช่ไหมเป็นประธานเป็นตัวปิดไม่ละคาโทวสามโมหะหลเข้าสุ่จิตไอตรงนี้แหละที่จะเป็นเหตุให้ได้สุจริตสาถ้าอินทรีย์สังวรไม่ดีสุจริตสามจะไม่เกิดเนาะตรงนี้มันชำระอย่างนี้เป็นวิสุธทธิอย่างนี้อาชีวประดิธิ์ที่ศีลก็ เกี่ยวกับเลี้ยงชีพด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์นี่มีความเพียรเป็นประธานปัจจะยะสันนิษฐานนี่เป็นตัวปัญญานั้นจะไม่เจาะก่อนตรงนี้แล้วก็กลุ่มพวกบริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาและสมาบัติอุปจารสมาธิกลุ่มสมาบัติทั้งหมดที่มีการเจริญอาณาปณสติเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นกลุ่มสมาธิหรือจากการที่ระลึกพุทธคุณระลึกพุทธคุณเป็นต้นเหล่านี้นี่คือกลุ่มสมาธิ แล้วก็วิสุทธิอีกห้านะมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นจนถึงโลกุตระยานาทัศนวิสุทธินี่กลุ่มปัญญานี่ถอนอนุสัยถ้ามองนี้ก็คือจำแนกแล้วคือสีเนี่ยย่อมสามารถที่จะทำลายวีติกมะวิติกมะภูมิแห่งทิฏฐิได้ก็หมายความว่าถ้าบุคผู้บริบูรณ์ด้วยสีวิสุทธิ เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนวิกกรรมศาสีลที่เป็นศีลลนะที่ได้กล่าวไว้แล้วใช่ไหมตัวศีลละนะตัวเนี้ที่เป็นตัวสมาทานังทําลายความเกลื่อนกล่นความกระจัดกระจายความสซ่านไปอยความเป็นผู้ทุศีนั้นถูกระงับไปได้เพราะกิจของศีลมันทําลายความทุศีลผลปรากฏของศีลคือกายสะอาดใจสะอาดเหตุใกล้ของศีลก็คือหิริอตตปะและศรัทธาเป็นต้นใช่ไหมศรัทธาก็เป็นประธานของปฏิโมกสังวรศีลเห็นไหมเนี่ย แล้วก็สติเป็นประธานของอินทรีย์สังวรศีลเนาะความเพียรก็เป็นประธานของอาชีวประดุษศีลปัญญาก็เป็นประธานของปัจจะสนิทศีลฉะนั้นจะบอกว่าฮิริโอตปะเป็นต้นต้องมีศรัทธามีวิรยิยะมีสติมีปัญญาด้วยกลุ่มกุศลธรรมเหล่านี้ที่จะน้อมเป็นตัวกระตุน้นเตือนจะให้ศีลเหล่านี้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมันถึงจะชะําระกายกรรมวิจีกรรมได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผองแผ้วเป็นต้นได้ลักษณะอย่างเนี้ยวีติกรมภูมิแห่งทิฐิมันถูกทําลายได้ถูกป้องกันได้ ดังนั้นตัวทิฏฐิที่จะผลักดันให้ทุจริตออกมาทางกายทางวาจาทางอาชีพมันถูกสกัดด้วยด้วยสี่ล่มสุดที่ตัวนี้โลภะระดับหยาบก็จะไม่สามารถผลักดันให้กายทุจริตวิจิตทุจริตอาชีพอาชีพที่ผิดพลาดได้โทสะอย่างหยาบนะัโทสะเอยโลภะโทสะโมหะมานาะทิฏฐิมิจิกิชัาหินิกาเนอร์ตะและอุทธะจารทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มกิเลสเหล่านี้ที่เป็นระดับที่เป็นจะผลักดัน ตั้งขึ้นชาวนะไม่พอผักออกมาให้มีการกระทําทางกายทางวาจาให้ร่วงละเมิอดออกมาไม่ได้ถูกสกัดได้ด้วยศีลวิสุทธิแบบนี้มองเห็นได้ยังเนี่ยเราจัดการมันได้ไอ้ตรงเนี้ยตัดยอดมันได้ตัดกิ่งก้านสาขาไม่ได้เนาะตรงเนี้ยไม่ให้ดอกผลมันเป็นพิษออกมาไม่ไม่ให้ฝักดอกผลมันเป็นพิษมันเหมือนตัดกิ่งต้นไม้ตัดได้เลยได้ยังตรงนี้เราเ ย, ยังมีพ่นพิษออกมาบ้างไหม <laughs> พ<อ>ูดด้วยความโกรธจะมีอยู่ไหมพูดด้วยความน้อยใจพูดกระแทกแตกดันยังมีอยู่ไหมแ <g ül üyor> สดงว่ายังหลุดเป็นระยะอยู่ยังหลุดอยู่เลยน้อยมากน้อยลงมากอ๋โอเคใช่ได้ดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยหลุดอีกเลยต้องระวังมันหลุดได้ง่ายๆห่างไกลกัลยาณมิตรไม่ฟังพระสัทธรรมเดี๋ยวไปอีกแล้ว เดี๋ยวคนนั่นมาแล้วเออบางทีในตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วนะเห็นเห็นพูดแบบสรุปอย่างเนี้ยจะเริ่มจะเริ่มเห็นเห็น ม, มุมฉะั้นเราบางทีเราบอกโอ้โหเหตุใกล้ของเขาว่าแค่เออฮิรโรตปอะไเนี่ยไม่พอเราจะเห็นเหตุไกลตัวประธานของเขานน่เองนะตัวศรัทธาก็ดีตัวความเพียรก็ดีตัวสติตัวปัญญาเป็นต้นนะเนะ่ นี่อันนี้มันก็จะเป็นเหตุใกล้ของการทําให้ศีรษะนเนี่ยเกิดได้อย่างดีทําให้ไม่เกินกนไม่กระจัดกระจายไม่สั้นมาและไม่เพียงแค่นั้นตัวอุปปัฏฐานนางว่าสมาทานนงอุปปัารนังเป็นฐานรองรับเป็นฐานรองรับชําระศีลของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นศีลบริสุทธิ์ที่ในทุกกิจกรรมนะเมใ้ในอารมณ์ที่มาทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจทั้งหลายอินทรีย์สังวรจัดการ ดำเนินในการเลี้ยงชีพอาชีวะประดิษฐ์ที่ศีลจัดการในการใช้สอยปัจจัย4ี่เข้าใจประโยชน์ที่แท้จริ ง, ขอ ง, ข, องของที่อยู่ประโยชน์ที่แท้จริงของอาหารประโยชน์ที่จริงแท้จริงของเครื่องนื่มหอมประโยชน์ที่แท้จริงขอ ง, ง, ง, ย, ของยามันเข้าถึงประโยชน์ที่แท้จริงว่าเพื่ออะไรประโยชน์อะไรจุดหมายเพื่ออะไรมันเข้าใจชัดตรงนั้นแต่ถ้ามันมีตัณหาทิฏฐิเข้ามาเกี่ยวข้องมาอะไรขึ้นมาแล้วมันผิ ด, ผดวัตถุประสงค์เลยนะแทนที่จะเอาว่าปิดบกบกปิดความละอายเป็นต้นเหล่านี้สวยนื ราคาดียี่ห้อดังมันจะตามมาอีกเยอะเลยนะฮะโก้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ห้องเรียนไหมมันก่อนย อ, อ้อนเนี่ยยีวอนเนี่ยหอเรียนเขาบอกภาคก็เล่นยีวอนเล่นบาทกันไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละเล่นยีวอนเล่นบาทกันเฮ้ขายีวอนราคาแต่ไม่ใช่ขาบาทเฮ้ทําได้ไหมอะไรกันขานังคุยกันวันนั้นไปเจอเขามาถวายโอ้ขาที่สวยจังพอเห็นพ่อไม่เปลี่ยนดีกว่าอย่าเปลี่ยนขาบาท นึกในใจใส่ค้าบาตรแบบนี้แล้วไปบินตาบาดแล้วประสมไม่เจอมันบอกวัตถุมังคลวัตถุประสงค์มันมันมันมันเพี่ยนไปมันไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์จริงจริงแต่มันไม่มีของเล่นเนี่ยภา็มีแค่นี้ใช่ไหมบาตรองเท้ากิวออดมีแค่นี้แต่เป็นเจ้าวัดหน่อยแข่งวัดกันนี่ไครสร้างวัดเอาว่ากันใหญ่มัไม่มีของเล่นเลยไม่มีข้ออวด นี่มันเลยผิดวัตถุประสงค์เศนาสนะอันวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมันผิดวัตถุประสงค์ป้องกันหนาวเอ้ยแดดเอ้ยฝนเอ้ยทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นนะนะมันวัตถุประสงค์ที่แท้จริงมันหายไปเครื่องนุ่งห่มเนี่ยปิดปกปิดความละอายนี่ยุงแดดลมไล่ทั้งหลายก็ไม่เข้ามาทําอันตรายทั้งหลายเป็นต้นและได้อุตุเพื่อทําให้อุตุได้สปายยาบ่ได้อุตุสปายยเพื่อได้เจริญสิรสมาธิปัญญามันมันเอมันไปไม่ถึง มันไปไม่ถึงจริงๆนะหรือกรณีที่ว่าอาหารเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้อยู่ได้มีความแข็งแรงอาหารนี้เป็นคุณเป็นโทษอย่างไรเงี้ยไม่ได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยเอาร่างกายที่แข็งแรงมาบำเพ็ญสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเรามาพบเจอศาสนาของพระชินเจ้าแล้วเราจะอ่อนแอไม่ได้เราต้องร่างกายที่แข็งแรงเมื่อได้ร่างกายที่แข็งแรงเราจะบำเพ็ญเพียรให้เข้าถึงที่สุดดับ ไฟคือสักกายะทิฏฐิที่เป็นต้นเหตุแห่งอุปนิสกุศลอนุปนาสกกุศลเนี่ยดับไฟทั้งทั้งไฟที่หลนมาข้างหลังข้างหน้านี้ให้ได้ให้จงได้ในอัตภาพนี้ให้ได้เมื่อเราแข็งแรงเท่านั้นที่จะทําได้เอาและเราจะทําร่างกายกันโอ้มาคิดอย่างนี้นะมันได้มาณศึการอย่างนี้ไหมให้กลับมาณศึการใหม่นะถึงแม้ไม่ทันนะที่หลังกลับมามณศึกการกินเสร็จแล้วมาณศึการฉันเสร็จแล้วมาณศึการไม่เป็นไรเขายังเขายังไม่ปรับอบัตนะ ก่อนก่อนก็ไม่พิจารณาขณะก็ไม่พิจารณาหลังยังไม่พิจารณาอี ก, กอาาท่าน<ๆ> <iper> ปรับปีนาบัตรเลยอยากไม่เขียนดินนะปรับปรับเลยได้แตใจบาตรอยู่เลยเลยตรงนี้ยเนี่ยพระก็เอากันขนาดนั้นเอาก่อนหน้านั้นให้ได้อายังไม่พิจารณายังไม่ทนันว่าหิวจัดตอนกินก็โหยิย่งมัวแต่เรื่องอื่นไปไม่ได้สใส่ใจเลยเอาหลังอะหลังให้หนะเข้านะเข้าสตาเิเล้อะ เ, เลือนก็ทํากันไงไปสวดมนต์ ตอนสวดมนต์กันค ร, รับปาฏิสังฆาโยนิโสพินดปาตังปาฏิเสวามีเขาไปสวดกันนะสวดก็ไม่รู้เรื่องอีกแฝงสวดแฝงไม่ได้อีกทำละโดยรูปแบบคือไม่เป็นอบัตติแต่โดยการเจริญไม่ได้จริงมันได้แค่วิในแต่ไม่ได้สีมันก็เลยไม่ไม่ไม่ชําระไม่ชําระวีติกะมะ มันล่วงละเมิดออกมาจริงล่วงละเมดมาทางพฤติกรรมโหกินด้วยความโลภมันร่วงละเมิดแล้วนะมันไม่ชำระจริงเพราะไอ้วิติกามะมันต้องไปละชำระไอ้วิติกามที่กินด้วยความโลภมันมันมันเป็นแล้วมันเลอเกินชาวนะแล้วนะมันมันเป็นตั้งที่ชาวนะอย่างเดียวมันแค่อยากมันไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมเพราะมันผักออกมามันมันมันเป็นมันล่วงละเมิดมาจนไม่รู้ตําราโหกินจนหายใจแทบไม่ทันเล็วดีเหนื่อยเลยถามทำไม หรือหายใจไปมันอร่อยจัดช่วยไม่ได้เคยเป็นขนาดนั้นไหมล่ะเ้ยน้นนตัวโลภมันก็ผลักดันออกมาสามระดับนี่ใช่ไหมอนุสัยปริยติฐานนะวิติกมะโทสะเหมือนกันกินไปเครียดเลยอันนี้ยอมทำอาหารแย่ ตอนที่ทำใจอย่าไปไปพูดมากก็ไม่ได้เขาให้มาอย่างนี้มันไม่เป็นมันกินเลยกินกินนิดเดียวทำไม่ท่านไม่หิวอะไมรไม่อร่อยแต่ไปบอกไม่อยูหิอมันเลี่ยงไว้ได้นะที่จริงไม่เอาต้นหาบอกว่าฉันไม่ยอมฉันไม่เอานะ้อเข้านะ้อเข้าแต่นี้พอมีใครประวนาหน่อยสั่งเลยอาศัยเอาไปได้ช่องแล้วเว้ย อวุติกรราออกมาเลยนะ่นเนี่ยยยอมเลยยืนั่นมาอยู่จัดมองออกย่างไงอุติกรรามันออกมาแบบนี้มันล่วงละเมิดแล้วใช่ไหมที่จริงมันละเมิดเออมัาเนื้อละเมิดมโนธรรมเรียบร้อยเนึกผักออกมาโลภะก็ผักออกมาโทสะก็ผักออกมาหมดก็ผักมาเหมือนเรา เหมือนมาระทิฏฐิทั้งหลายนี่ก็พักมันนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ทีนั้อีตัวกุศลศีลที่มันชําระจริงๆมันจริงต้องไปถึงปัญญาท่านเขียนไหต้องถึงปัญญาจริงๆริถ้าไม่ถึงขนาดชั้นของปัญญามันละโลภะโทสะมหาไม่ออกใช่ไหมมันแค่กันไอ้ตัวโลภะโทสะมันเห็นโทษเลยมันเห็นโทษมันละอายมากละอายมากเห็นโทษมากว่าถ้ามันล่วงละเมิดตรงมาทางพฤติกรรมทางกายทถาหวานวิจิทวาน แม้เป็นมโนทวายยังเป็นอกุศลกรรมบทเลยหรือออย่าว่าแต่ว่าอย่าว่าแต่ล่วงละเมิดศีลออกมาเลยแม้โลภแล้วน้อมเอาของเขามาเป็นของตนมันยังลงอบายได้โกรธคิดให้เขาวิบัติทั้งๆศีลไม่ล่วงละเมิดออกมาใช่ไหมศิขาบทไม่ขาดก็จริงไม่ละเมิดวิไัยก็จริงแต่กรรมนั้นก็นําสู่อบายภูมิได้เห็นผิดทํานองครองทำแม้ในใจเรานี่แหละมันก็ยังลงอบายทุกติวิบัติและจมอยู่ในสังสารวัฏได้ โอ้มีโทษมากเนาะนี่ปัญญามันเกิดมาชําระศีลเนาะชำละไ ม, ม, ไม่มันเกินกลนไม่ให้กระจายออกมาเริ่มเห็นไหมโดยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่มันเดินได้จริงๆแบบนเนี้ยอันนี้พูดถึงมรรคกัปฏิปทานี่ข้อปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องชําระอย่างนี้แล้วต้องต้องสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆก็เดินเดินกุศลได้อย่างจริง ๆ, ๆนี่ลักษณะอย่างนี้มันทําลายได้อย่างเนี้ยสมาธิก็ทําลายปริยุทธาณภพูม แห่งทีท่ถีดได้ก็หมายความว่าถ้าสามารถให้ใจอยู่ในการมณุษย์การกรรมฐานได้ตลอดเนาะคือคือมนโนกรรมเนี่ยมั น, ม น, มนการมนุษย์การกรรมฐานได้ตลอดเดินพุทธคุณธรรมคุณเดินกุศลมันเดินได้หลายอย่างนะเช่นตัอย่างว่าศีลเมื่อเราเจริญได้ใช่ไหมเจริญแจนสามารถระงับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์ปองแผ่วเป็นต้นได้ทีนี้เป็นศีลละนะแล้วก็ทําลายความทุศีล กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีตัวศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมีตัวศรัทธาเป็นต้นเป็นตัวกระตุน้นเตือนเอาสีนี่แหละมาระลึกเป็นสีลานุสติพอร ะ, ะลึกไประลึกมาเบ็ยดเสร็จปุ๊บเป็นสมาธิเลยเดี๋ยนี้เห็นไหมเป็นฐานรองรับแล้วขึ้นสู่สมาธิแล้วจากศีที่ตัวเองรักษานี่แหละมันเริ่มสะอาดผ่องแผ้วแล้วกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วอาชีพบริสุทธิ์หมดจดพฤติกรรมที่แสดงมาโอ้โหไม่มีโทษแต่ไหนไหนเลย โอ้ชื่นใจมากระลึกระลึกระลึกเห็นเจตนาศีลของเราบริสุทธิ์เจดสิกศีลบริสุทธิ์สังวรศีลบริสุทธิ์อวิติกรมาศีลบริสุทธิ์เห็นปฏิโมกสังวรศีลโชําระอย่างดีอินทร์สังวรศีลแม้ดีมากเลยวันนี้ได้สุจริต3มากเลยปัจจญสันนิสตศีลแหมพิจารณาปัจใจศีลไม่ละเลยอาชีวะบริสุทธิ์ศีลเลี้ยงชีพโดยการไม่หลอกลวงก็เป็นตัวเราเนี้ยโอ้เราเดินกุศลศีลสะอาดบริสุทธิ์หมดจอดนาะเราจะทำอย่างนี้ต่อไประลึกระลึกระลึกจิต ปลาโมดปีติประสิทธิสุขสมาธิตั้งถึงปริยุทธานนะถูกสกัดไม่มีโลภะโทสะโมหะมาตั้งในฌหนเลยแล้วก็มาสิการอหลุลลดจากศีรานุสติไปรลยลึกถึงจากานุสติโอ้ลเลยลึกใช่ไหมมีช่องเดิน่ะหลุดจากศีลไปทานจากานุสติ จากจาคานุสติไปเทวดานุสติจากเทวดานุสติไปพุทธานุสติไปธรรมานุสติไปสังขานุสติแม้ไปอุปสมานุสติที่เราดําเนินไปอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเข้าถึงอนุปาทานบริสุทนอุปสมานุสติเป็นสภาวะที่สงบเย็นดับกิเลสและกองทุกข์เป็นธรรมชาติที่ดับราคะธรรมชาติที่ดับโทสะธรรมชาติที่ดับโมหะธรรมชาติที่ดับกิเลสและกองทุกข์สังสารวัฏจะความสงบความเย็นความเบาทั้งหลายจะไปสงบเย็นเบาหน้าที่ อนุปาธาปานิพานและลึกถึงพานิพานเป็นอารมณ์และลึกและลึกและลึก ล, ลกจิตก็สงบสงบพี่ไหมโอ้วิ่งล่องอยู่กับไอวิ่งล่อนอยู่กับไม่ว่าจะเดินเรื่องอะไรคิดถึงอะไรเมื่อคิดถึงบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เห็นเข า, า, ศาศรักษาศีลก็ ล, ลึกถึงศีลที่เราชําระหรือ ล, ลึกถึงเขาลึก ถ, ถึงหมู่สัตว์ทั้งหลายเราเคยให้กระแสชีวิตนี้ไหมเนี่ยเราได้ให้วัตถุทานไหมให้ได้ให้อภัยทานไหมให้ได้ให้ธรรมทานหมให้โอ้ได้ จากานุสติได้เนาะทีเนี้ยเจอกระแสชีวิตเนี่ยเออไม่มีกระแสชีวิตไหนเลยนะที่เราไม่ได้เคยให้ความปลอดภัยในชีวิตสีลาสีลานุสติได้จริงเนาะแม้คิดถึงกระแสชีวิตของบุคคลอื่นแม้มรณานุสติก็ยังคิดได้เนาะบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันชีวิตเหมือนกับตั้งอยู่บนเหมือนเนีเม็ดผกาดอยู่บนปลายเข็มจะหลุดลงสู่จุดติปฏิยุทธิที่จะเปลี่ยนพบกันไม่รู้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ย เนี่ยไอสภาพใจที่ศึกษาพวกนี้มาดีมองไปหนะที่ไหนอยู่กรรมฐานนี้ออกจา่กรรมฐานนี้คือกรรมฐานนี้กรรมฐานก็คือเป็นอุปกร ณ, อกรณ์อุปกรณ์ที่ทําให้ได้ความเพียรอุปกรณ์ทําให้ได้สติอุปกรณ์ทําไม่ได้ปัญญามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสก็คือไม่ให้โลภะโทสะไหลก็สู่จิตนั่นเองก็คือเห็นไหมเป็นอุปกรณ์ได้ทุกชิ้นเลยไม่ว่าเกี่ยวข้องกันอะไรนี่เป็นอุปกรณ์ในการเจริญได้หมดเลยเนะี่ยได้เป็นกรรมฐาน โอ้โหไม่ว่ามองไปไหนที่ไหนเป็นกรรมฐานในการเดินทำได้สมาธิหมดเลยถ้าทําได้อย่างนี้แปลว่าอะไรปริวิทยฐานนะไม่ภูมิไม่ไ ม, ไม่สกัดเลยวิติกรรมะสกัดได้ปริวิธานะสกัดได้นี่เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์ระดับสองภูมิแล้วปริวิทยานะภูมิกับวิติกรมภูมิกับปริยุทธานะภูมิใช่ไหมแต่เหลืออนุสัยนี้แปลว่าบ้านเมืองสงบใช่ไหม ในกันประเทศนี้สงบแล้วประเทศส ร, ราตนี้สงบแล้วเหตุผลที่ประเทศสลาตนี้สงบก็เพราะว่าเราปกครองดีนั่นึองแล้วก็พระราชาอยู่ในศีลในธรรมผู้นําประเทศอยู่ในศีลในธรรมใช่ไหมแต่ก่อนในตัวปะปัญญรร้นจะทำตั้หามานาที่ถินปกครองใช่ไหมปกครองมันไม่มีโอกาสทําให้บ้านเมืองนี้สงบได้แต่ต่อมาเราให้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็คือเนี่ยให้ศีล เจตน า, า, าศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลปาติโมกสังวรศีลอินทรีสังวรอาชีวะปริสศธิปัจจ้าให้ขึ้นมาปกคลองปุ๊บกําจัดที่มันป้นสดมทั้งหลายเลยนี้ที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองทั้งหลายได้แล้วระดับที่สองที่มีโจรเล็กๆน้อยๆเที่ยวเผาที่นั่นนั่นที่นี่มีทุจริตต่างๆนี้จัดการระดับที่สองระดับปริยุทานนะโอ้โหสงบราบคาบประชาชนนอนสบายใจแล้วในประเทศสราดนี้ในกระแสชีวิตนี้ เหลืออย่างเดียวที่มันยังกําลังซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆยังไม่สามารถเห็นมันยังมีค่ายมีนิกรองมันมีมันมีฐานที่มั่นของมันอยู่แต่มันยังไม่แสดงอะไรออกมาดูสงบทั้งประเทศเลยนี่มันการกระแสชีวิตเนี้ระดับวีติกมะไม่พุกพลานออกมาระดับปริยุทานนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ก้มรุมในโชนะแล้วก็ไม่ประมาทเดินทั้งสองฐานนี้จนแข็งแรง ทั้งศีลทั้งสมาธิโอ้โหอีกมากมายเข้าใจไหมเนี่ยเดินเดินเดินตรงนี้สกัดได้แล้วเ <c oughs> มือ่อเมื่อสงบแล้วตัเนี้ยตัวนี้เป็นเป็นฐานเป็นที่มั่นที่จะเดินศรัทธาวิริยะสติสมาธิโดยเชอบปัญญาทําทำศรัทธาเป็นภาวนาได้แล้วทําทําทําวิริยะ เ, เป็นภาวนาวิาริยะทําสติเป็นภาวนาท่านสมาธิเป็นภาวนาสมาธิพัฒนาสุ ป, ปัญญาให้เป็นภาวนาปัญญาได้นี้พัฒนาสุ ป, ปัญญานะ ไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญญาคือสามารถทำลายอนุสัยทิฏฐิได้แต่เนี้ยเป็นการเจาะรายละเอียดในความเห็นผิดทั้งหลายที่มีความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนทั้งหลายอะไรอ่านี้เห็นสภาวะธรรมว่าเป็นสัตว์บุคคลเนีเห็นกลุ่มผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตไรอย่างนี้มันเห็นผิดพลาดหมดเลยว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งหลายอะไรนี้ แม้เวทน า, าสุขทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันเราสุขเราทุกข์ทั้งหลายเลยเนี่ยสัญญาความจําก็เราจําได้ไหมรู้สังขารการบุญแต่งเป็นเราหมดเลยใช่ไหมต่อถึงวิญญาณมีจักภูมิญาณคือเราเห็นเราได้ยินเนี่ยไอความเข้าใจผิดความใส่ใจผิดความคิดผิดเนี่ยวิปริตทั้งหลายเหล่านี้จะต้องทําลายนดมันจะทําลายได้ก็ต่อเมื่อสงบบาปรกรรมระดับหยาบระดับกลางได้เท่านั้นใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมันจะเพราะมันจะต้องใช้หนึ่งกำลังกำลังสติที่แข็งแรงสติต้องสามารถจับดึงตรึต้องตรึงดึงหรือตรึงเนี่ยดึงจับอันนั้นแล้วก็สมาธิต้องมีความแนบแน่นไอ้ความเพียรที่สร้างสรรต้องคอยประคองประคับประคองไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้กำลังของสติและสมาธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถดถอยเมื่อเมื่อจิตไม่จิตจิตสงบเนาะ สภาพจิตที่ไม่ซัดสายจิตที่ใสสะอาดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีพลังจิตที่ใสนี่แหละแล้วก็สงบซึ้งนิ่งด้วยใช่ไหมมันเหมือนผ้าที่ผ้าที่ปิดที่หน้าขอบหน้าต่างเนี่ยถ้ายังมีลมพัด ป, ปุ๊บปุ๊บปเนี่ยมันไม่สามารถมองรายละเอียดอะไรต่างได้ก็ต้องตึงไวหมดตึงต้องแน่นเป๊ะเลยนะจนสามารถลมพัดต้องก็ไม่หวั่นไหวเลย จนเห็นรายละเอียดทั้งหมดจนสามารถแยกได้แยกได้นี่ก็เหมือนกันตอนนี้เรายังแยกกลุ่มรูปธรรมไม่ได้นี่คือเราสามารถแยกได้โดยการไปท่องได้แค่นั้นเองแต่เพราะจิตมันนิ่งไม่พอความความสงบมันไม่พอความตั้งมั่นแห่งจิตมันไม่พอความอ่อนมันไม่พอความเบามันไม่พอความครวญต่อการที่จะไปต่อการงานของกุศลจิตหายต่อปัญญาที่ไปทําจิตไม่พอ นิ่งไม่พอใสสะอาดนะมองเห็นอะไรได้ชัดถ้าอย่างนี้นะ่มันได้ฐานที่มั่นตรงนั้นเลยมันถึงจะเข้าไปวิจัยแต่ละส่วนแต่ละส่วนสติดึงจับปุ๊บให้ปัญญาสอบสวนโอ้แต่ก่อนเข้าใจว่าสุขเนี่ยเป็นเราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉอแท้จริงก็คือเวทนาก็เป็นสภาวะธรรม เวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะจากการประชุมกันของจากกุเป็นต้นอะไรเนี้ยพอไปไล่เห็นเหตุปัจจัยว่โอพอสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีตรงนี้พอไปเห็นด้วยความไม่ใช่สัตว์บุคคลแท้จริงเป็นสภาวธรรมนะสัญญาสังขารวิญญาณในรายละเอียดตรงเนี้ยท่านไปเจาะรายละเอียดตรงนี้หมดเลยแต่ทั้งหมดเหล่าเนี้ยถ้าตัววิติกรมะยังกำเริบอยู่ปริยุฐาะ น, นะยังกำเริบอยู่ไม่มีวัน ที่จะนั่งแท่นหรือกลุ่มกุศลธรรมมีปัญญาเป็นประธานนั่งจะไปนั่งแท่นในการเข้าไปเจาะทะลุทะลวงจนสามารถแยกแล้วก็ถอนรากถอนโคนละละได้อย่างเด็ดขาดได้เดินมองเห็นอาสายใหญ่มันเป็นใบลักษณะแบบนี้นะวิธีการเจริญกุศลมันเป็นใบลักษณะแบบนี้เห็นไหมว่าปัญหาของของคนในยุคนี้ก็คือว่า มันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้ช่องทางของการเดินเดินมาทางเดินกุศลเหล่านี้มันไม่ไม่รู้ช่องทางถ้าอย่างนี้ในชีวิตจริงเดินได้แล้วแล้วแลวทุกอย่างที่ทำไปทั้งหลายเนี่ยมันจะสงบเร็วหมดเหตุผลที่เราทำไมวันนี้เราใจไม่สงบเราทุกนี่บ่งบอกอะไรปริยุทธานนะกำเริบสภาพจิตของเราไม่ช่ำชองใน ในในใ น, ในกรรมฐานเราเราไม่สามารถเอาสิ่งรอบตัวทั้งหลายมาเป็นอุปกรณ์ในการที่ทำความเพียรทำสัมปชัญญะทำสติเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ให้สภาพของอะีมอรมักทั้งหลายเหล่านี้มันมีพลังได้เป็นตัวพอจะเห็นยังยากไหมแบบนี้นี่วิธีปฏิบัติถึง ไ, ไหมว่าจริงๆไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้ได้วิธีการในการที่จะปฏิบัติ ตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ลักษณะอย่างนี้สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่านั้นเวลาเวลาที่เราจะฟังธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ต้องให้มันเกื้อกูลต้องเกื้อกูลแต่การที่จะขัดเกลายัางไงเขาเรียกว่าถ้าอินทรีย์ตัวไหนมันอ่อนก็ทาฟังธรรมะบ่มอินทรีย์ใช่ไหให้เหตุปจัจจัยตัวนั้นแล้วก็ ถ้าเจริญไม่ได้ก็ต้องเจาะลงรายละเอียดในการที่ออกดึงเครื่อมาให้มันเจริญได้ให้ได้จริงๆอย่าไปมั่นหมายว่าเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติทำตรงนู้นตรงนี้เท่านั้นอันนั้นถ้ามีเวลาอยากจะไปก็ลาไปแต่ต้องต้องมีฐานค่อนข้างมันง่นคงต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ชัดยากไหมมีอะไรจะทำไหมนายมีอะไรมีอะไรทำ <c oughs> เนี่ยตรงนี้คือคือพูดถึงเรื่องศีลทีนี้ขยายต่อทีนะทีนี้จำแนกอย่างนี้ไอ้ความไปเข้าเห็นผิดในรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันทีในแห่งการจำแนกเนี่ยบุคคลที่ ส, สามารถเออพูดถึงในเรื่องศีลเนาะพูดถึงในเรื่องศีลบุคคลศีลมี ศีล ส, สมาธิและปัญญาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าบุคคลที่ไม่สา ม, มารถที่จะในลักษณะศีลสองอย่างคือโรกิยาศีลกับโลกุตตรศีลเนี่ยการปฏิบัติเพื่อให้ได้กุตตรธรรมที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นในสันดานของตนนี่เกิดขึ้นและปฏิบัติเพื่อให้กุตต ร, รธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเพื่อเข้าถึงนิญญานิกะธรรมเนี่ยก็หมายถึงว่า เป็นการปฏิบัติที่อย่างนี้คือคือประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าในเรื่องของการเจริญศีลที่จะสามารถเป็นปัจจัยแก่การแก่การเกิดขึ้นเพื่ อ, เ พ, อเพื่อทำให้ให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้ น, นมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องของศีล ส, สองอย่างเนาะในศีลสองอย่างเนี่ย ในย่าแห่งการจำแนกมีสองอุปปนาการนุปปนาในพบนี้ได้แนอดีตอุปปนาและผลอนุปปนาเนี่ยบุคคลที่ไม่เคยรับศีลอันใดหนึ่งเลยในชาติเนี้ยชื่อว่าอนุปปนาศีลศีลที่ไม่เคยเกิดไม่เคยรับแต่ถ้าเป็นผู้เคยสมาทานเอาไว้ชื่อว่าอุปปนาศีลไหมสมาธิปัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นในขันธสันดานนี่ชื่อว่าอนุปปนา แล้วก็ส่วนสมาธิปัญญาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชาตินี้ชื่อว่าอนุปันธนะ์อุปันธนะเข้าไปสีลมีทั้งถ้าโลกีศาศีลเป็นอุปันธนะ์เพราะในเพราะถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าไอตัวตัวอกุศลตัวกุศลทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้ถ้ามองถึงในเรื่องของตัวสภาวธรรม ในเรื่องของคําว่าอนุปปนาสีนก็หมายถึงศีลที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้เพียงครั้งเดียวในสันดานของปุถุชนในสังสารวัตรหมายถึงอะไรสัมมาวาาิชาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในโสดาปิมักศีลประเภทนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเาเลยในสังสารวัตเข้าใจใไหมเนี่ยศีลประเภทนี้ความเป็นโตรลภุตราศีลอันนี้ก็เรียกว่าอนุปปนาสีนศีลที่ไม่เคยเกิด ศีลประเภทเนี้เกิดขึ้นในโสดาปฏิมาภูมีพันธุนิพานเป็นอารมณ์ศีลชนิดนี้สามารถทำลายกายโยตเจริตวิจิตรเจริญมิจฉาชีพได้ในขันธสันดานอย่างขาดสะบั้นเลยศีลประเภทนี้เรายังไม่ทำให้เกิดขึ้นสักวันหนึ่งเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นทต้องคิด น, นะที่เราทำกันปัจจุบันนี้เขาเรียกอุ ป, ปัณนศีลศีลที่เคยเกิดแล้วอย่างยาวนานในสังสารวัตรใช่ไหมเราเป็นอุ ป, ปันนะ คือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิตรีกรรมศีลมันเกิดตลอดมันเคยก็เคยเกิดมาการเป็นมนุษย์มาแล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเราทําศีลประเภทนี้แต่เรายังไม่เคยทําสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะที่ประชุมในโลกุตระเนี่ยและกุศลก็เหมือนกันก่อนสัมมาวิมภาษัมมาสติสัมมาสมาธิในโลกุตละก็ยังไม่เคยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะในโลกุตระมีเสดาบดาวนี่ยกุศลประเภทเนี้เรายังไม่เคยทํากันทั้งนั้นแต่นอกนั้นเคยทํา อุปนนัสีนอุปนนัสมาธิอุปนนัปัญญาใช่ไหมเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่ใช่โลกุตละไอ้พวกนี้เราก็แยกให้ออกเพราะนึกอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะได้เข้าใจให้มันชัดขึ้นว่าสักวันเนี่ยเราจะทําอนุปนนัสสีนสีนที่ไม่เคยเกิดขึ้นในขันธสันดานอนุปัณัสมาธิอนุปนนัปปัญญาที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในขันในกระแสขันนี้เลยยังไม่เคยได้สัมผัสเลยเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะจะต้องได้สัมผัส ความห อ, หอมหวานกองศีลสมาธิปัญญาเราจะให้ได้ให้จงได้ก็คิดเงี้ยมันสิการเคยคิดอย่างนี้ไหมเจาะรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ว่าเราจะต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้ให้จงได้ทีนี้พวกอุ ป, ปนสัปปนสสีอุปนัสมาธิอุป น, ปนัสปัญญาพวกเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลทั้งหลายเหลาเ่านี้ที่เราเคยมีเคยทําให้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับไปแล้ว แล้วก็ตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดมาทำให้เราเนี่ยยังได้เชื่อมโยงติดต่อกับพระาราตนาฏไรได้พอสมควรนี่นะแต่ไอตรงเนี้ย น, นั้นพวกโรกีาศีนกามาวจรศีนเนี่ยศีนเนี่ยศีนนั้นมีก็คือว่ากามาวจรศีโลกีาศีนเนี่ยถ้า ที่ตั้งอยู่ในปุรุชนอย่างเราเราเนี่ยอย่างเราเราทั้งหลายเราเนี่ยเราสามารถทําให้มันเกิดได้แล้วมันก็ดับหายไปใช่ไหมมันก็ดับหายไปอันตรงนี้ก็ให้เข้าใจว่าเพราะเรายังไม่สามารถทําศีลเนี่ยเข้าถึงนิ ญ, ญานิกระทัมคือเป็นศีลที่แน่นอนเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่แน่นอนที่ประชุมในโลกุตระพอมาณสิการใส่ใจอย่างนี้บอกเออเราจะต้องทําให้มีให้เกิดขึ้นให้จงได้เพราะว่า มันน่าเบื่อตรงที่ว่าเราเวลาทําเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลอวิติกรรมศีลเวลาบาปละวิติกรรมกิเลสได้กันได้มันกันได้ชั่วชั่วคราวพอกลุ่มกุศลเหล่านี้ด้วยการที่เราไม่ได้ไม่ละไม่สามารถละไอตัวมิจฉาทิฏฐิคือกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มิจฉาชีพมิจฉาชีวธรรมเนี่ย เราไม่สามารถถอนรากเวราเจตนาอกุศลที Flower ่เป็นเหตุแห่งการพูดให้การฆ่าสัตว์เวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักทรัพย์เวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการบวชปิดกามเราไม่ได้ถอนเวราเจตนาอกุศลได้ด้วยสมากรรมมันต์าเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการพูดเท็จเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการพูดส่อเสียดเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการพูดเพ้เจ้อ เวรเจตนากุณที่เป็นเหตุในการพูดหยาบมันถอนได้ด้วยสัมมาวาจาในโสดาบดิมักเป็นต้นเรายังไม่สามารถทําศีลตัวนี้เกิดขึ้นเลยเวรเจตนากุณที่เป็นเหตุการเลี้ยงชีพผิดมันถอนได้ด้วยสัมมาอาชีวะที่ประชุมในโสดาบดิมักใช่ไหมเรายังไม่สามารถทําสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะในโลกุตตระนี้ ให้ประชุมในนั้นได้ถ้าประชุมได้เมื่อไหร่มิจฉาธรรมเจตนาธรรมเจตนาชั่วร้ายที่ไปเห็นการฆ่าการลักต่งางๆมันจะละจะดิ้งเด็ดขาดแล้วก็ขาดสะบั้นในสังสารโลกในในขันธสันดานแม้จะเวียนว่ายตายเกิดอีกจะกี่กี่กี่พบความเป็นเป็นพระโสดาบันความเป็นอริยบุคคลนั้นนะ่ะมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้จะไม่ไม่เข้าไปเกิดกลัวในกระแสชีวิตอีกเลยอย่างนี้เนี่ยศีลประเภทนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในขันธสันดาน ตั้งมนตสิการ์ว่าสักวันหนึ่งจะต้องทําให้มีให้เกิดขึ้นได้จงได้ในกระแสชีวิตเห็นไหมทีนี้สัมมาวยมามสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นอุ ป, ปนธ์เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับเราตลอดเราเคยละกรารมาฉันทาปยาบาททีนนม่ท่อุทธักกุกุจาวิจิกิจชาได้ชั่วครั้งชั่วคราวรละได้ชั่วขมได้คมระยะมาอย่างยาวนานแต่ก็กําเริบพังขึ้นมาทุกครั้งแต่สักวันหนึ่งเราจะทําสัมมาวยมาสมาสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิประชุมในโสดาบลิมากเป็นต้นนได้ พอประชุมได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเช่นประชุมในโ <c oughs> สดาปฏิมาคโซดาปฏิฝนสกัดคาลิมัเป็นต้นอะไรเนี้ยกลุ่มนิวอรธรรมจะขาดสะบั้นเลยทีนี้และจะไม่กลับมาเกิดอีกใช่ไหมส่วนอนุสัยอนุสัยการมาราคานุสัยปฏิคาอนุสัยเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราต้องทําสมาธิทีและสมาสังกัปปะกลุ่มปัญญาญาณทั้งหลายให้เกิดขึ้นในโซดาปฏิมาคเป็นมันจะถอนอนุใสกันทั้งรากเลยหมดเลยสานกิเลสกันท <ๆ S 2> ั้งรากเลยหมด นั่นจะต้องทำให้มีเกิดขึ้นอย่างนี้นะก็เจาะเจออะะาะรายละเอียดตรงนี้เข้าไปนั้นจะได้เกิดความเชื่อนใจว่าตอนนี้ที่เรากำลังทำกลุ่มศีล ส, สมาธิและปัญญาที่เป็นที่ยังไม่แน่นอนเพื่อจะเข้าถึงความเป็นนิยานิการทำไม่ได้เป็นอนิยานิการทำอยู่เป็นอนุปันนะเป็นอุปันนะศีลอุปันนะสมาธิอุปันนะนนะจะเข้าถึงอนุปันนะ เราจะต้องพัฒนาเข้าถึงโลกุตระนั้นแห้ะจากกามาวจรศีลกามาวจรสมาธิกามาวจรปัญญาโลแล้วก็โลกียะศีลโลกียะสมาธิโลกียะปัญญาจะพัฒนาไปสู่โลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตร ะ, ร ะ, รระปัญญาจนานั้นการเส้นทางเนี้ยเราจะเดินเดินให้ถึงให้ได้พอมาเิการแล้วก็มั่นคงและตั้งมั่นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นปใจใัจจัยเกิดได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้สมควรนี้ยัง